สังฆคุณประการที่สสามีจิตปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนแปลว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรซึ่งท่านอธิบายว่าได้แก่เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่การที่จะรับสามีจิกรรมคําว่าสามีจิกรรมมายถึงการต้อนรับหรือการแสดงความเคารพนับถือหรือการให้ความช่วยเหลือต่าง คำอธิบายที่ท่านกล่าวไว้มีเพียงเท่านี้แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากพระอริยบุคคลทุกองค์ยอมตั้งอยู่ในสัพพุริสธรรมคือธรรมะของสัตบุรุษและคำว่าสัตบุรุษในที่นี้ตามความหมายของคำพีโดยทั่วไปก็หมายถึงพระอริยบุคคลเพราะคำว่าสัตบุรุษตามศั์แปล ว, ว่าบุคคลที่มีใจสงบแล้วเพราะฉะนั้น คำว่าสามีจิตปฏิปันโนซึ่งแปลว่าปฏิบัติสมควร น, นั้นในความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัพพุริสธรรมเจ็ดประการกล่าวคือเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลที่ควครคบแล้วรู้จักสังคมที่เข้าไปเกี่ยวข้องและทาตัวให้เข้ากันได้กับสังคมนั้ น, น, น ในความหมายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรเรื่องสังฆคุณที่อธิบายมาทั้งสข้อนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเป็นคุณสมบัติประจำตัวของพระอริยบุคคลทุกองค์และจากเรื่องนี้เราก็จะได้ข้อคิดว่าถ้าหากว่าสังคมของเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีลักษณะอย่างนี้สังคมก็ย่อมเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน และข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระอริยบุคคลเหล่านี้เมื่อก่อนล้วนแต่เป็นคนไม่ดีซึ่งบางคนก็ไม่ดีเอามากๆแต่เราก็กลับใจได้ซึ่งเป็นการกลับใจได้อย่างเด็ดขาดไม่มีการถอยหลังกลับไปสู่ภาวะเดิมอีกอันนี้ควรจะถือเป็นข้อสังเกตที่ยิ่งใหญ่ว่าทางพระพุทธศาสนามีวิธีการอย่างไรจึงสามารถกลับใจคนได้ดีถึงขนาดนี้ ซึ่งการกลับใจที่ว่านี้ไม่มีการบังคับหรือการลงโทษแต่ประการใดเขากลับใจด้วยตัวของเขาเองเรื่องนี้สมควรอย่างยิ่งทิ่นักศึกษาควรจะได้พิจารณากันให้ถ่องแท้และนำหลักการเหล่านี้ออกมาพัฒนาสังคมแต่อย่างไรก็ดีเราก็ไม่ควรจะตั้งความหวังถึงขนาดที่จะให้คนทั้งหลายเป็นพระอริยบุคคลเพราะผลอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก แต่ถ้าหากเราจะหวังผลกันแต่เพียงว่าทำอย่างไรเราจรึงจะสามารถทำให้คนบางคนที่ทำผิดรู้สึกตัวกันบ้างและก็คิดที่จะกลับใจจริงๆในเมื่อมีผู้รู้มาแนะนำตักเตือนไม่ดือ้อรั้นจนเกินไปถ้าหากเราหวังผลกันเพียงขนาดนี้เข้าใจว่าคงจะไม่ยากจนเกินไปแต่ข้อสำคัญเราจะต้องมีการวิจัยชีวิตของพระอริยบุคคล ให้เข้าใจอย่างท่องแท้จริงๆซึ่งวิธีการที่ทำนั้นนอกจากเราจะศึกษาในทางทฤษฎีให้เข้าใจอย่างละเอียดแล้วเราจะต้องเอาคนทุกชั้นทุกระดับทุกอาชีพและทุกวัยมาวิจัยด้วยว่าในเมื่อคนเหล่านี้ได้มีโอกาสมาศึกษาและปฏิบัติตามแนวการสอนที่เราได้วิจัยเอาไว้แล้วจะมีผลออกมาเหมือนดังที่หวังเอาไว้จริงหรือไม่ซึ่งถ้ายัางไม่ได้ผล ก็ต้องพยายามค้นคว้าทำการวิจัยต่อไปจนกว่าจะได้ผลออกมาจริงๆวิธีการอันนี้จะช่วยพัฒนาสังคมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเพราะประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาได้แสดงออกมาให้เห็นทุกยุคทุกสมัยว่าในสมัยใดที่พระพุทธศาสนาเจริญนั้นพระพุทธศาสนาได้ประสบความสำเร็จในการกลับใจคนช่วให้เป็นคนดีได้มากมายพระพุทธศาสนามีวิธีการอย่างไรหรือ จึงได้ประสบความสาเร็จในเรื่องนี้โลกในสมัยปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาเรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีศีลธรรมซึ่งข้อเท็จจริงอันนี้เห็นได้ชัดโดยทั่วไปและมีอยู่ทั่วโลกฉะนั้นเราควรจะได้รีบช่วยกันทาการวิจัยเรื่องนี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาให้ได้ผลบางทีมันอาจจะไม่สายเกินไปในอันที่จะแก้ แต่ถ้าขืนไม่เอาใจใส่ในหลักของสังฆ ค, คุณดังที่กล่าวมาข้าพเจ้าก็เชื่อว่าเราจะไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนต่างๆดังที่มีอยู่ให้หมดไปได้เลยอันที่จริงการที่เราไม่สนใจในอันที่จะเอาหลักเรื่องสังฆ ค, คุณมาพัฒนาสังคมนั้นเพราะเราส่วนมากไปเข้าใจกันซสว่าคำว่าสงฆ์ที่กล่าวถึงในเรื่องสังฆ ค, คุณนี้หมายถึงพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเท่านั้น มีชาวพุทธน้อยคนมากที่เข้าใจว่าสงในคํานี้หมายถึงค า, ารวาสด้วยและอีกอย่างหนึ่งวิธีการของคณะสงฆ์อย่างที่เห็นกันทั่วๆไปนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะนํามาพัฒนาสังคมอย่างในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรรอส่วนมากรู้สึกกันว่าเรื่องของพระสงฆ์เป็นเรื่องของคนที่สละโลกประชาชนส่วนใหญ่ที่หวังพึ่งพระสงฆ์ ก็หวังเพื่อจะทำบุญอาผลในชาติหน้าแล้วเรื่องศาสนาที่สอนกันโดยทั่วไปในวัดครรว่าส่วนมากก็มักทำตามไม่เคยได้นอกจากจะปฏิบัติไปตามประเพณีเท่านั้นส่วนความเดือดร้อนของคนในโลกซึ่งเวลานี้มีเกือบจะทุกด้านคนทั่วไปยังมองไม่เห็นว่าศา ส, สนาจะช่วยแก้ปัญหาให้แก่เขาได้อย่างไรและการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆซึ่งเมื่อก่อนมีอยู่ภายในวัด ก็ค่อยแยกตัวออกไปเจริญนอกวัดความสาคัญของวัดและของพระสงฆ์จึงค่อยๆหมดไปและยิ่งเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาเกือบจะทั้งหมดมุ่งไปในทางการศึกษาและการประกอบอาชีพโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาในทางศาสนาจึงยิ่งไม่ค่อยมีด้วยเหตุนี้เองนะักศึกษาทั้งหลายจึงไม่ค่อยนึกถึงเลยว่าหลักสังฆคุณ น, นั้นสามารถที่จะนามาพัฒนาสังคมได้ทุกด้าน และถ้าหากเราได้นำมาใช้นานมาแล้วประชาชนก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้เลย